นะเมื่อกะระทํานะก็เกิดประโยชน์เป็นผลดีทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนะแล้วก็เรียกว่าศีลนะถ้าทําให้ศีลของเรางดงามก็เรียกศีลภาวนาการมีศีลการรักษาศีลนี่ก็ถือว่าปฏิบัติธรรมนะและการรักษาศีลหรือว่าการมีศีลเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยรูปแบบอะไรมากนะ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 ก็จะได้บุญน้อยนะเพราะว่าทำบุญเนี่ยจะได้บุญมากเมื่อก่อนให้จิตแจ่มใสให้เสร็จใจเบิกบานหรือผ่องใสเนะี่ให้ความผ่องใสของใจเนี่ยทั้งก่อนแล้วระหว่างแล้วให้นั่นแหละก็เป็นตัวบุญนะเพราะบุญชื่อเป็นชื่อของความสุขแล้วนเะมื่อจะถวายสังฆทานถ้าใจผ่องใสจิตเบิกบาน อ, อันนี้ก็ได้บุญเยอะ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 บางทีเสียงโกราหนวุ่นวายก็ยังดังอยู่นะเจ้าภาก็แขกหรือแขกนี่ก็ส่งเสียงบรรยากาศไม่สงบเลยนะแต่พอพระเริ่มตั้งน้ำโมอา่าวบรรยากาศก็เริ่มสงบพอสงบแล้วเนี่ยเมื่อช่วยน้อมใจญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาให้ให้สงบนันเมื่อจะถวายนะจิตก็ผัองใสถวายเสร็จใจก็เบิกบานนะก็เป็นบุญนะ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 หรือบางทีไม่รู้่นะแต่ว่าทําไปตามที่มีคนแนะนําทั้งที่ไม่มีความเชื่อและบางทีไม่รู้ด้วยว่ากําลังทําอะไรอยู่นะแต่ถ้าทําถูกถูกต้องตามเหตุปัจจัยนะมันก็เกิดผลดีได้เหมือนกันเนดะีย๋ยวไปคิดว้ต้องเป็นชาวพุทธนั้นเนี่ยถึงจะทําสมาธิเจริญสติได้ผลคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธหรือว่าไม่รู้เรื่องพระรัตนตรัยเลย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 คนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักพระก็รู้จักบ้างว่าคือพระนะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรมากกว่า น, นั้นวันหนึ่งหลวงปู่บ้านนะกับพระอาจารย์เทศก็ไปบินธบาตถือบาทเข้ามาเขก็ไม่รู้ว่าถือบาทมาทําไมถามว่ามาทําอะไรนะหลวงปู่มันก็ตอบว่ามาบินธบาตบินธบาตแปลว่าอะไรก็คือมาบินธบาตหาอาหารนั่นแหละอาหารนี่จะเอาอะไรนะเขาถามเจะเอาเข้าวสุกหรือข้าวสาลท่านก็ตอบว่าเข้าวสาร นะชาวเขาก็ใส่เข้าสารให้ถ้า ใ, ใส่เข้าสุกให้นะอาจารย์มั่นบอกว่าเนี่ยเอาเข้าสุกนะชาวชาวเขาก็ใส่ข้าสุกให้ก็ใส่แต่เข้าสุกนะกับไม่ใส่นะนั่นก็ฉันแต่เข้าสุกนั่นแหละก็หลายวันทีเดียวแต่ว่าก็มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งเนี่ยเกิดระแวงสงสัยว่าเอ๊ะพระสองรูปนี้มาทําอะไรก็มีคนลือว่าเนี่ย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 อาวุธแล้วก็จะต้องมีคนไปด้วยหลายคนขน่ายดการก็มีการส่งนะส่งคนไปเฝ้ามองดูพฤติกรรมว่ า, าพาสองรูปนี้ทำอะไรบ้างก็มีชายหนุ่มหลายคนรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านนี่เข้าไปซุ่มดูพฤติกรรมนะก็เห็นว่าหลวงปู่มั่นกับลูกศิษย์เนี่ยวันวันหนึ่งก็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 ก็เกิดกล้าขึ้นมาก็เดินเข้าไปถามหลวงปู่มั่นว่าตูตเจ้าเนี่ยเดินกลับไปกลับมา ท, ทำอะไรหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าตามหาพุทโธพุทโธเราหายชาวเขาก็สงสัยว่าพุทโธมันคืออะไรนะท่านก็ตอบคือดวงแก้วสว่างสวยนะแล้วมันเป็นยังไงนะมันดียังไงนะ เนนรกสวรรค์ไหมท่านก็บอกเนี่ยถ้ามีดวงแก้วนี้พมีพุทโธแล้วเนี่ยก็จะรู้จะจะเห็นนรกสวรรค์ท่าก็สนใจขึ้นมาแนละ้วก็บอกจะช่วยตามหาพุทโธให้จะได้ไหมนะชาวเขานี่เขาก็มีเมตตานะพุทโธหายก็เลยอาสาว่าจะช่วยหาพุทโธให้แล้วทํำยังไงล่ะท่านก็บอกเนี่ยเวลาเดินก็ให้นึกถึงพุทโธไว้นะ แล้วทำนานเท่าไหร่ชาวเขาถามท่้นก็ตอบว่าประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอ่ะเอาเริ่มต้นเท่านี้ก่อนนะนะช่วยช่วยช่วยกันหาพุโทโธ เ, เขาก็เลยไปช่วยกันหาพุโทโธนะกลับไปที่บ้านก็เดินกลับไปกลับมานะตั้งใจก็จะช่วยหาหาพุโทโธให้ให้ตูเจ้านะชาวบ้านคนหน่งก็สนใจก็ช่วยหาเดินก็เดินจงกรงกันไปเดินจงกร ง, งกันมาเนี่ย ไม่รู้ได้ว่านั่นคือการเดินจงกรมบอกว่าทําได้ไม่กี่วันนะหันหน้าเช า, าวเขานี่ก็จิตก็สงบนะสงบแล้วก็เกิดนิมิตขึ้นมานะเหมือนก็เห็นทั้งป่านี่สว่างสวยแถมกลางคืนฝันนี่ก็ฝันว่าหลวงปู่ ม, ม่านนี่เอาความสว่างมาให้ก็เกิดความสนใจมากขึ้นก็เลยไปถามหลวงปู่ ม, ม่านวันนี้มันเป็นยังมันเป็นอย่างเางี้มันแปลว่าอะไรท่านก็แนะนํำนะ เพิ่มเติมให้เรื่องการภาวนาพุโทโธแต่ถ้าไม่ได้บอกว่านี่คือการภาวนานะเพราะว่าพูดไปชาวขาวคงไม่เข้าใจแต่บอกวิธีการหาพุโทโธให้บอกว่าไม่นานนะโชวาาหน้าชาวขานั่นก็จิตสงบจนกระทั่งสามารถจะรู้วาระจิตของคนอื่นได้เห็นวรติของแม้กระทั่งหลวง ป, ปู่มั่นนะเห็นวาจิตของท่านนี่ใสไม่มี อจุดด่างดําอะไรเลยนะก็ยิ่งแปลกใจเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็ยิ่งสนใจอย่าก็กลายเป็นว่าหลายคนนี่ก็ได้รับผลแห่งการตามหาพุโทโธนะกันไปตามตามกันก็กลายเป็นว่าเกิดศรัทธาในหลวงปู่ ม, มั่นนะทีแรกท่านตั้งใจว่าจะอยู่แค่ไม่กี่วันพรากว่าชาวบ้านก็บอกขอใอยู่ต่อท่านอยู่เป็นปีเลยนะ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 ต่อเนื่องนะทุกวันทั้งวันแล้วก็หลายวันไม่นานนะลูกเจีย๊ยบก็จะออกมาไนะข่ก็จะฟักเป็นตัวโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากหรือความปรารถนาของแม่ไก่แต่ถ้าหากว่าแม้จะมีความปรารถนาอยากจะให้มันฟักเป็นตัวแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยกับไขนะ่นั้นหรือว่ามาฟักก็ประเดียวประดาว